ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมาหาชนกต่อแต่ว่าตอนนี้ไปเห็นจะค่อยดีขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าไปไดท้ทั้งสีอที่เขาเรียบเรียงไว้มีความจริงใกล้เคียงกับพระบาลีมาก มันเป็นกรรมจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยการอยู่ต่างจังหวัดในหาตําบลรรมดา ย, ยากความจริงเรื่องให้เจ้าสิบชาตินี้เทศกันมานานแต่ว่าความละเอียดระออตามธั้งบาลีเกรงว่าจะมีไม่พอถ้าจะเล่าเรื่องกันเฉยๆก็ยังได้แต่ว่าเสียใจว่าถ้ารายะตัดรอน ถ้ารรมเทศนาก็องสมเด็จไพ่จอมไตรไปเสียก็รู้สึกว่าจะเป็นกรรมหนักเน่งเลยต้องใช้นังสสีเป็นแบบฉบับ <c oughs> เป็นแนวทาง <c oughs> แต่ได้ว่านังเสีฉบับนั้นเห็นว่าจะต้องเอาลงต่กล้าไปไม่ทราบว่าคนแประนะ่แปรแะลนะ้วะะอะไรใส่เข้ามาตัดของดีทิ้งไป และเอามาติของตนใส่เข้ามาประเภทนี้น่าสงสารพระพุทธเจ้าแต่สำหรับนองสอทีใช้นำมาเอามาเป็นแบบฉบับสำหรับพูดในการต่อไปนี้มีความดีอยู่มากรู้สึกว่าอาศัยเดินตามสายพระบาลีประมาณเก้าสิบเอร์เซนแต่ก็ยังต้องถูกตำหนิอีกนิดหนึ่งว่าไม่ควรจะตัดหน้าออกไปตัดท้ายออกไป ความจริงพระพุทธเจ้าจะทรงเทศเรื่องอะไรทรงมีเหตุไว้เสมอความจริงก็น่าจะเขียนเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงปราบร ก, ก่อนและองค์สมเด็จพระชินรวรจินสททรงตัดเรื่องพระเจ้าศึกชาติตอนท้ายก็ทรงประชุมชานดกเรื่องนี้ไม่น่าจะตัดและเรื่มนี้ดีส่งกลากลางนี่เรียบเรียงตามธรมบาลีได้ดีมาก แต่ก็มาเอินไปตัดหน้าตัดหลังชนิดหนึ่งเลยให้คะแนนถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกเนลาพระราชมันดาไปเรือสำเภาแต่ก่อนที่โรงเรือจะรงเรือสำเภาเพื่อทำการค้าก็เลยพบพระไปเจีกับพระติเจ้าเดินมาด้วยความลำบาก แล้ก็ถาวายร่วมกับรองเท้าตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ว่ายน้ำในมหาสมุทรเห็นพระจันทร์วันเพ็งก็ทรงสมาทานุมโมสตศีลได้วความจริงหน้าที่ในการรักษ า, ามาหาสมุทรสาหรับคนดีเป็นหน้าที่เขานางมณีเมขลานางมณีเมขลาอง์นี้ไม่ตรงกับรามเกียรติ การเส้นเล่นเกีเยงล่อบแบบและเมียดเกี้ยเขาให้ใช่ใจยุ่งนี่คนเขียนนะพระคุณเลยอย่าทําให้ชาว บ, บ้านเขาเข้าใจผิดเลยมาสมเร็จมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดมายัางไงเขียนไปอย่างนั้นดีกว่าอย่าช่วยกันทําลายพระศาสนาแล้วเจตนาจะหาเงินนํามาใช้มันนม่เป็นการสมควรเป็นอนมันนามมิมณีเมฆาลานี มีหน้าที่รักษาคนดีในมหาสมุทรตามคําสั่งของท้าเวสสุวรรณแต่ก็เป็นการมางเอิญอย่างยิ่งที่นางมีดามีความบันเทิงในสวรรค์ในสวนของท้าเวสสุวรรณทั้งเจ็ดมันมากกันทั้งเจ็ดมันต้องปล่อยให้พระมหาชนกไหวน้ำอยู่เนื้อาศัยบุพกรรมนะอาศัยบุพกรรมเก่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ สร้างความดีมามากแต่ต้องถูกทรมานจากการวหวน้ำประเภทนี้ถึงห้าร้อยชาติและบุพกรรมอันนี้จะกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าจำพระมหาชนกได้เป็น ก, กษัตริย์เสียก่อนไม่อย่างนั้นเรื่องจะไม่สมบูรณ์ฟังตอนนี้ไปแต่ว่ายนาำในสีดนี้ก็ไม่มีไม่กันแต่ความจริงเรื่องบุพกรรมนี้ สำหรับเรื่องบุพกรรมนี่เขาไม่อีกตอนหนึ่งต่าหากไม่จะอยู่ในพระเจ้าสิทชาติเพื่ออันว่าตอนนี้นามณีไม่ขลาเทพพิดาผู้มีหน้าที่รักษาพระมหาสมุทรในสมโนนเขาสวยนักสินนี้รู้สึกว่าเป็นคนดีมากเขียนไว้ใครก็ช่างเหอเดีย๋ยวจะหาว่าจะหาว่ามาโฆษณาขายหนังสือ เมื่อเห็นพระมหาชนกแหวกว่าอยู่ในกระแสะมหาสมุทรเช่นนั้นนี้แต่เขาว่าตามสนนบารีจริงๆยื่นเห่าเข้าไปใกล้พระมหาชนกแล้วกล่าวเพื่อจะทดลองน้ําใจเพืน้าประทัยเขาพระมหาชนกว่าไม่ใช่สับสวยใครหนอเมื่อมองมเห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์พยายามว่ายอยู่ในถ้มกลางมหาสมุทร ท่านเห็นประโยชน์อะไรหรือจึงได้พยายามว่น้ำอยู่อย่างนี้นี่เป็นถ้อยคำข้งนางมันนีไม่ขลาลาอาตมาก็ไม่ต้องทิมบายพระมหาชนกเมื่อดินเสียงถามมาจึงได้รีว่าในเราวหาน้ำอยู่ในมหาสมุทรถึงเจ็ดวันข้าวันนี้แล้วไม่เคยได้ยินเสียงใครเลย ใครหน่อมพูดกับเราในวันนี้ในคิดในใจแปลกใจนะนี่คนปัจจุบันนี้ก็คงจะคิดนะเมว่านี่พูดผิดไปหน่อยความจริงท่านไม่ได้ใช้น้ําตาลใส่กวดกับน้าําเพื่อลหรอกนะฉันใช้ขันทศกรนะใช้ฉันแก้วแต่ก้อนครวญกับน้ําตาลใส่กลวดกินไม่กําลัง แต่การว่ายน้ำในมหาสมุทร ต, ตั้งเจ็ดวันแล้วก็มีขึ้นลมจัดบางทีคนสมัยนี้ก็อาจจะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไปฟังข่าวในเวลาที่เรือเขาแตกบางทีเขาลอยคอยตั้งสิบวันก็มีเกินไปได้คนมม่ยังไม่ถึงเวลาจะตายทำไงมันก็ไม่ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระโพธิสัตว์ถ้คนมีบุญ เรื่องบุญนี่ไปพูดกับคนบาปมันไม่รู้ภาษาแล้วช่างมันเถอะแล้วเวลาเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วว่าใครนั่มาพูดกับเราเนี่ยเราไหว้น้ํำมาตั้งเจ็ดวันไม่เคยดินเสียงใครเมื่อคิดอย่างนีแล้วจะได้เห็นเข้าไปดูข้างบนอากาศในทอดพันเลตเห็นมัานนางมณีไมฆาลาจึงตัดว่าอานุสงแห่งความเพียร น, นั้นมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามไหวจนกว่าจะถึงฝั่งพัะสกันหนึ่งนีที่พระพุธทธเจ้าทรงแัดว่าวิญยณทุกมัจเจ ต, ติบุคคลย่ำล่วงทุนได้เพราะความเพียแพรแต่มหาชนกนี่เห็นจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเป็นบรารมีในด้านวิิยาบรารมี <c oughs> จำมาเห็นดีนะครุกคนเราถ้ามีความเพียรจริงๆแต่ต้องเพียรดีอย่าไปเพียรชั่วมีความเพียรจริงๆมันต้องถึงที่สุดความปรารถนาจนได้ตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่านางมณีไม่ขลาปรารบปรารถนาจากฟังคติธรรมเขามหาชนกแม่นี่คนยังว่ายน้ำเครื่องก็ใหญ่ว่ายน้ำก็เหนื่อย เทว ด, ดายังอยากจะฟังทมต่อไปเออยก็ต้องคิดนะเอ้าเมื่อเรื่องท่านว่าอย่างนี้ก็ต้องว่าไปยังไงยังไงนางมณีเมขลาต้องเข้าใจว่าพระมหาชนกจะต้องไม่ตายแน่ยิงไม่กล่าไปว่าฟังมหาสมุทรกว้างใหญ่กว้างใหญ่หลวงไม่ปรากฏแก่ท่านแม้ท่านจะพยายามสักเท่าไหร่ ไม่ทันถึงฝั่งท่านที่จะต้องตายใช้ก่อนท่านจะไห้ต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรปล่อยให้มันตายซะแบบสบายๆไม่ดีหรือพระมหาชนกจะไม่ตรัสกับนามณีเมขลาว่าบุคคลผู้ทำความเพียรอยู่แม้ถึงจะตายขณะที่ทำความเพียรนั้ น, นถวายอย่างนี้นะจำให้ดีนะ ก็ชื่อว่าไม่ต้องเป็นนี่ไม่ต้องถูกญาติหรือเทวดาหรือวิาวนาบรรดาติเตียนนี่เป็นประลับหมายความว่าถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานทุกอย่างก็เชื่อว่าไม่เป็นนี่คือหน้าที่การงานมีอยู่เท่าไหร่ทามนันให้ครบแล้วก็ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนคเขาามรตมิติเตียน นมาได้ยากก็ดีเทว ด, ดาก็ดีบิดามารดาก็ดีไม่มีใครเขาติเตียงคนที่ทำความเพียรด้วยความขยันตั้งใจมันมีแต่ความชมเชยท่านกล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งเมื่อทำกิจอย่างลลกผู้ชายแล้วเมื่อทากิจอย่างลูกผู้ชายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนต่อภายหลัง ในตามพระบาลีมีว่าวายเมเทวะปุริโสพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายคนพยายามล่ำไปคําว่าถอยหลังเกิดขั้นในล่าหลังเพอถอยจะไม่มีสําหรับผู้ชายทั้งปวงแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขก็เก่งนะเวลานี้ผู้หญิงที่เก่งกว่าผู้ชายก็เยอะไม่สมัยโบราณผู้หญิงที่เก่งกว่าผู้ชายก็เยอะ ผู้ชายที่เคียดขี้คลาดขี้ขลาดตาขาวยิ่งกว่าผู้หญิงมีมา ก, แ, กแล้วก็ไปเอามาฆรกันไปทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างคนต่างมีวิทยอาอุสาหะสร้างความดีไอคนไหนเลวก็เลวไปคนดีก็ว่ากันเรื่องดีว่ากันต่อไปนางมณีเมขลาจึงมกล่าวต่อไปว่าการพยายามทำงานที่ไม่เห็นจุดหมาย มีแด้ความยากลำบากอาจจะถึงตายในที่สุดก็ได้จะทำความพยายามอันไม่ใช่ฐานะนั้นทำไปเพื่อประโยชน์อะไรเออออาโต้กับสิคนหนึ่งรอยเวลกายคนหนึ่งว่ายน้ำเอาฟ้ายกันดูที่ว่าใครจะชนะท่านพระมหาชนกเมื่อได้ทรงฟังนางมณีเมฆขันลากล่าวถ้อยคำอย่างนั้น ยังเลอดัดว่าดูก่อนแม่เทพพิธิดาความจริงตอนนี้น่าจะหายเหนื่อยนะถ้าคนพูดนี่ถ้ายังเป็นหน่มยังกลัดมันอยู่ยังสมัยก่อนแล้วก็เห็นนางเทพพิธิดานหน้าสวยสวยรูปร่างสวยสวยผิวพรรณสวยแต่งตัวสวยสวยลอยในอากาศแบบนั้นทิ้งเข้าหายเหนื่อย แต่ไม่ใช่เทพทีดาลเลยที่เพียงแต่ที่เดินลูกสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเลยนะยังหายเหนื่อยะสมัยโน้นนะแต่สมัยนี้ถ้ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยเรื่อยจะเป็นเทพที่ดาแล้วลูกสาวชาวบ้านคือที่ดาของใครก็มาด้วความแล้วมันแก่แล้วเย่ยแล้วเลิกสู้คนไม่สู้แล้วจะมาท่านะ ถ้าท้ามาอะไรยอมแพ้มานั้นไม่จะท้าแล้สู้คุณสู้ไม่ไหวเพราะไม่ต้องการจะสู้จึงได้กลโน้หม่อมผลาหลงสิยก็อยากจะสู้จะไม่บวชไม่เบิดมันละสู้มันแหลกร้านาเขาคงไม่แหลกเราคงแหลกเอาว่ากันต่อไปนี่เสียก็เรื่งองเข้ามาแท้เสีแล้วที่มันยุง่งอ่ายอดนิดหนึ่ง ท่านพระมหาชนกเมื่อใหญ่ทรงให้นางมณีได้มาในในกระาจํำนนต่อถ้อยคำที่ทรงตัดว่าเอาละสิตอนนี้จะรอให้จำนนน่้นะว่ายน้ำอยู่ก็ยังไม่กลัวหายเหนื่อยนเห็นนางสาวสวยๆมันรอยอยู่ข้างหน้ายึ่งกล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่าการงานที่ทำไม่รุ้ร่วงไปได้ ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าเขาเลิกละความเพี้ยนอนั้นเสียก็จะต้องได้รับผลในความเกลียดคร้านเป็นแน่ดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์คนแล้วควรเร่งประกอบการงานแม่การงานนั้นจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จก็ตาม ก็ตามทีนะหมายความเมื่อเอาใหม่ย้อนใหม่นะดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อเห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรเร่งประกอบการงานแม่การงานนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามทีดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจากแกตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือ คนที่มากับเราในเรือจมน้ำตายหายไปหมดในมหาสมุทรเหลือเราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามว่าอยู่จึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่ที่เป็นดายโฉมงามรอยอยู่ข้างหน้าบัดนี้แม่เกี่ยวสนิทอย่างเอาซะหน่อย ท่านกล่าวต่อวอ่าดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทำความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรจะทำตลอดไปถึงกว่าจะสุดกำลังเพื่อจะข้ามมาถึงฝั่งให้จนได้แม้ข้อนี้น่ายคิดใมบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเวลานี้ภัยอันตรายทันหลายเกิดกับประเทศของเรารอบด้าน ถ้าเราพวกเราทั้งหมดต่างคนต่างงอมืองอเท้าคิดว่าสู้เขาไม่ได้มีคนมาพูดว่าเขามีกําลังมากกว่าเขามีอาวุธดีกว่าเขามีการปกระดมทนดีกว่าแล้วก็ไม่สู้อย่างนี้น่าเสียดายมากแต่ถ้าหากว่าเราจะฟังพระมาหาชนกพูดว่าสู้ได้หรือไม่สู้เราก็พร้อมที่จะสู้เก็เป็นการป้องกันตนเอง ถ้าจะตายก็ตายอย่างคนสู้คนมาตอนนี้อยากจะถอยหลังไปสักนิดหนึ่งนึกถึงว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งสุดท้ายในตอนนั้นก่อนที่จะแตกไม่เท่าไรพระเจ้าตากสินมหาราชเวลานั้นเป็นพระยาพยาตากสินนะมั้งเห็นท้าไม่เป็นการภายใน แต่ความสามัคคีคนดีไม่มีใช่แล้วนายทหารผู้ใจแกว้วรวบรวมกำลังทหารในประมาณห้าร้อยคนพร้อมได้ลุกหาบตีฝ่าข้าสิบออกมาแล้วก็ไปตั้งท่าอยู่ที่โน่นเมืองจันทบุรีและเมืองในยองไปรวบรวมกำลังพอที่สุดก็ไปตีเมืองจันทบุรีได้ เอากำลังของจันทรีเข้ามาสมทบกับคนที่ไปไปรวมไปรวมอยู่ด้วยกันประมาณห้าพันคนความจริงคนห้าพันคนนี้ไม่คนแค่หยุดมือเดียวและเวลาที่ออกไปเวลานั้นพระเจ้าตากสินไม่ใช่เป็นกษัตริย์เป็นนายทหารคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีสมบัติติดตัวไปแั้นก็เวลาไปก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะติดตัว เมื่อฟันฟ่าข้าศึกออกไปได้ไม่ไกลนักเห็นค่าศึกไม่ติดตามข้าศึกเห็นว่าคนไปน้อยเขาต้องการเมืองคนไปแค่นั้นเขาไม่แค่แค่ห้าร้อยถ้าเายึดเมืองได้คนห้าร้อยไม่มีความหมายเขาคิดอย่างนั้นไอ้พักอยู่ระหว่างทางตอนนั้นเตีย่ยได้ให้น้องสาวนำเงินแปดช่างเอาไปให้แต่ข้าสมัยนั้นก็มาก ท่านบอกว่าเจ้าสิงมังไม่มีอยากกินเองจงเอาเงินไปให้มันมันจะได้มีเงินใช้ควบคุงกําลังพลไปได้เงินตอนต้นไปเท่านั้นเท่ากระโลงกําลังคนเพราะสายความพยายามทรัพย์สินก็ไม่มีในดีสุดที่เจ้าตากสินมหาได้กระโลงกําลังคนในห้าพันคนก็มาตีโครงเสียยุธยาคืน นี่ถ้าคนที่มีความเพียรคิดว่า ง, งานที่เราจำจะต้องทำมันจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จถ้าหากว่าเราไม่ทำอาศัยความขาดเราตายซะดีกว่าฉันสภาวะประเทศชาติของเราในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเรายังไม่ถึงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาแตก เมื่อเรายัางมีอิสรภาพทุกอย่างสามารถจะซื้อสรรพาวุธสามารถจะฝึกกําลังทหารแต่ยังไงก็ตามเรื่องของปลาข้าวฟันเป็นเรื่องของชาว บ, บ้านแต่เรื่องของพระนี่มีความรู้สึกอยู่ว่าถ้าบรรดาท่านทหลายมีความเข้าใจในความเป็นไทยของตนเวลานี้เราเป็นไทยไม่ใช่ทาสเรายัางมีอิสรภาพ คนจนหาเช้ากินข้าก็ยังมีความสุขถ้านี้เพราะอะไรเราได้มาเท่าไรเราก็กินเท่านั้นทำงานแค่นี้เหนื่อยเราก็พักเราต้องการกินเค็มเราก็ได้เค็มเราต้องการกินเผ็ดแล้วก็ได้เผ็ดลเลาต้องการกินเปรี้ยวกินหวานแล้กกินได้ตามความพอใจถึงแม้มันมีไม่มากเราก็ยังมีกินถ้าหากว่าเรางอมืองอเท้าปลอ ย, อยางราวละเสมยด เราจะต้องกินตามที่เขาจะให้กินถ้าจะมีเวลาพักหรือไม่มีเวลาพักตามที่เขาสั่งเครื่องใช้ไม้ส้อยเครื่องแต่งกายทุกอย่างเราจะต้องแต่งตามที่เขาให้มันไม่ใช่ตามใจเรามันตามใจเขานั่นสภาพของความเป็นทาสแต่บุคคลที่สบายมีไม่กี่คนที่เขาบังคับที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชา จะนั่นคนดีก็มีความปรารถนาจะให้ไทยประเทศไทยเป็นทาสอย่างรากำเมาณนี้ถ้าทุกคนมีความสามารถขี่รักไทยรักความเป็นไทยไม่ใช่ไม่มีใจเป็นทาสทุกคนร่วมกายร่วมใจซึ่งกันและกันคนรวยเกือ้อหนุนคนจนคนจนก็จงเตรียมตัวอย่าแบมือขอเขาสิอย่างเดียวเขาช่วยเข้ามาแล้วพยายามหา และทำทุกอย่างที่มันจะได้มาเพื่อเรียงชีพและถ้ามีค่าสิทมาเรากอดคอกันเขาไว้จะต้องรักษาความเป็นไทยถ้าความเป็นไทยจะต้องสลายไปเมื่อไหร่เราตายเสียดีกว่าอย่างพี่เจ้าตาสินมหาราชพระองค์ควบคุมกำลังพลไปรวมคนและกู้ชาติได้ภา ย, นนยนหนึ่งปีหรือไม่ไม่ครบหนึ่งปี ยังเป็นเหตุให้เราทั้งหลายเาหล่านี้มีอิสรภาพเป็นไทยได้ข้อนี้มีประมาณชัน้นใดที่พระเจ้าตัดสินทำได้ก็อาศัยทิบบาทสี่คือหนึ่งชัน้นพระมีความพอใจในการเป็นอิสรภาพสองวิญยะมีความเพียรเช่นเดียวกับพระมหาชนกสามจิตตะมีจิตจดจ่ออยู่เสมอว่าข้าจะตายก็ตามที แต่าขอให้พี่น้องคนไทยของเรามีสรภาพมีมังสาใช้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดในการพูดในการปฏิบัติในการเข้าทิ้งคนไม่ทำตนเป็นเจ้าเป็นนายอย่างก็พวกบคุคคลทั้งหลายที่กกินกินเงินของชาวบ้านและทำตัวเป็นนายของชาวบ้านในปัจจุบันแต่บางคนนะที่เขาดีก็เมีที่เขาเลวก็มีมาก เลวจนกระทั่งไม่สนใจความสุขความทุกข์ของบุคคลที่อยู่ในขอเขต ท, ที่ตนรับผิดชอบอย่างนี้ก็มีเยอะถ้ามาถามจะชี้ตัวให้ว่เดินทั่วประเทศรู้ว่าใครเป็นใครพูดอย่างนี้ถึงที่มันจะมีอันตรายแต่หาวเราจะมีอันตรายอย่างคนพูดความจรงิงมันจะแปลอะไรถ้าว่าคนไทยเราทุกคนถือคติของพระมหาชนกคนดี เขาไม่เจ้าตาสินมหารายคนดีคำว่าแพจะไม่มีสำนักคนไทยเป็นอันว่าเป็นการสงกำลังใจที่เรามีวิียะบารมีเช่นเดียวกับมหาชนกนี่ท่านเลยจำเรื่องของมหาชนกไม่ได้ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ก็ไม่ย้อนขอซื้อเทปเขาที่ะถา น, นี้นี่ก็ได้นะ เป็นอันว่าเมื่อพระมหาจจนกต้องการให้นางมณีไม่ขลาดจำนถวาวา j a ของหรงเขา อ, อ่านย้อนอีกนิดหนึ่งที่นี้กล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่ากายงานที่ทำไม่รู้ร่วมไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนนี่อย่างนี้คนคิดว่าโอ้อยวุธเขามากเนาะเราสู้เขาไม่ได้คนเขามากอันนี้เจ๊ง ถ้าเขาเลิกความเพียร น, นั้นเสียก็จะต้องได้รับผลความที่เป็นความที่ได้คือความเกียดคร้านเป็นของขี้เกียดคร้านแล้วท่านตรากาวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรจะเริ่งรัดประกอบการงาน แม้การงานนั้นจะสําเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามนี่สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็ตามต้องสู้ยึดความสามาัคคีไวเป็นกําลังตั้งใจว่าเราต้องสู้เพื่อความเป็นไทยให้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพบิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจักแก่ตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือเมื่าคนที่มากับเรือได้จม ได้จมตายหายไปในมหาสมุทรทั้งหมดเหลือแต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามว่ายอยู่ก็จะรอจรึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่เทพิดาคนสวยแบบนี้ในเกี่ยวสนิทหนึ่งนะเอาท่นหน่อยหนึ่งความจริงมันก็น่าเกี่ยวนะสวยๆแบบนี้นำมาอดไม่ได้ถึงแม้ว่าคนพูดเถอท่านหนมๆก็นหนากลัวหายเหนื่อย เห็นแม่เทพิดาแบบนั้นเจ้าไหวน้ำสักสามสิบเดืนอนยังไหวสวยๆเจ้าแจ๋วแบบนั้นให้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทำความเพียรอย่างที่ลูกชายควรทำไปจนกว่ายาสุดกำลังเพื่อเข้าเพื่อพยายามข้ามเข้าไปถึงฝั่งให้จนได้นี่ ตอนนี้ท่านบอจะเล่นให้นางนางมณีเมขลาจนมุมนางมณีเมขลาได้ฟังสุนทรละคาถาของมหาชนกก็เกิดความเรื่มสกล่าวสัรเสนว่าเวลาพอไมเน้อยท่อมหาสมุทรทั้งลึกทั้งกว้างใหญ่ไพศาลแต่ท่านก็พยายามจะว้าพยายามจะวหายข้ามไปถึงฝั่งจนได้ สมคนที่เป็นลูกผู้ชายขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่ความขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่สงความปัถนาเถิดไม่เจยวจริงๆอย่างนี้อย่างคนพวกว่ายตายเลยเมื่อนางมณีเมฆทะกล่าวดังนั้นแล้วทางนั้นนางมณีเมฆทะเก็ตรงเข้าช้อนอุ้มพระมหาชนก เข้ามา แ, รแคร์ประคองแนบอกโคแบบนี้อย่างคนพูดเป็นพระมหาชนกกระรักคอไม่ปล่อยแล้วเอาเข้าประคองเข้าแนบอกทาเหาะบรรยากาศสำหรับพระมหาชนกเมื่อถูกกายอันเป็นทิพย์่งนางสัมผัสอย่างนั้นปรีบกับกับต้องไหว้น้ามาถึงเจ็ดวันมีความเหนื่อยอ่อนมากเมื่อกระทบ การสัมผัสความนิ่มนวลอานเป็นทิเท่านั้นก็บรรทมหลับไปแม้เสียท่านะถ้าไม่หลับก็ยุ่งนะไม่หลับก็ยอมเป็นลูกแกเสีเลยกันหมดเรื่องเป็นลูกเล็กๆล็กเล็ ก, เ, ลกเอาอะไรกันก็บรรทมหลับไปสําหรับนามณีไม่กล้าก็พาไปยังกรุงมิถิลาวางไวบ้บนแท่นหินในสวนมะม่วงฝากให้แกบรรดาเทวดาที่รักษาสวน คุ้มกันพระมหาชนกว่าให้ดีและนายนยิ่งกลับไปอรบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายฟุงเกินไปเวลาหมดพอดีสำหรับเรื่องพระมหาชนกนี้หากว่ายังไม่เบื่อยังมีเรื่องฟังอีกนานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากกันเพราะหมดเวลาก็อนจจากท่านก็ขอรัต น, นาองค์ประสีรัตนาไตร มีพระพุทธรัตรานาธรรมรนันนะและสังฆ ร, รนันนะทั้งสามระการขอจงอวิบายบรรดาท่านพุทธบริษัททห่งหลายผู้รับฟังที่รักความเป็นไทยทั้งหมดให้ปรากฏมีแต่ความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผ ล, ล, ลและจงเจริญไปด้วยจัตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรรณาสุขาพระละและปฏิพันห์หากต้องการอิสรภาพความเป็นไทย เมื่อไรขอท่าน้นหลจนชนะข้าศึกเมื่อนั้นสวัสดี